ธรรมบทแปลเรื่องพระติสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขาภาคที่8เรื่องที่สองร้พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเจตวันทรงปราลบพระติสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าผู้ไม่เกี่ยวข้อง คืออสังสัตถงเป็นต้นตอนเทวดากลัวผู้มีศีลบริสุทธิ์และยินว่าพระเทรานั้นเรียนกรรมฐานกับพระาศาสดาแล้วเข้าป่าสำรวจหาดูเสนาสนะมันเป็นที่สบายไปถึงเงื้อมเขาแห่งหนึ่งพอไปถึงเท่านั้นจิตของท่าน ก็ได้ถึงความแน่วแน่ท่านมีความคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี้จะทากิจแห่งบันปชิตให้สำเร็จได้กเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้านั้นมีความคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาการอยู่ในที่เดียวกับภิกษุนี้เป็นการลําบากภิกษุนี้คงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วก็ไปดังนี้แล้ว จึงพาบุตรออกไปจากถ้ำในวันรุ่งขึ้นพระเตระเข้าไปสู่ที่โคจรคามแต่เช้าตรู่เพื่อบินาบาตในครั้ น, นอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วรู้สึกรักเหมือนลูกจึงนิมนต์ให้นั่งบนบ้านให้ฉันอาหารแล้วอ้อนวอนให้อยู่กับตนต่ออีกสามเดือน ท่านก็รับโดยคิดว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้อาจทำการสลัดออกจากพบได้ดังนี้แล้วก็ได้ไปยังถ้านั้นอีกเทวดาเห็นท่านกำลังเดินมาจึงมีความคิดว่าพระเถระนี้คงมีใครนิมนต์ไว้แน่นอนวันรุ่งนี้หรือเมื่อรื่นนี้ก็คงจะไปตอนเทวดาคิดอุบาย ให้ภิกษุนีไปก็เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งเดือนก็ยังเป็นเช่นนี้เทวดาก็มีความคิดว่าภิกษุนี้เห็นจะอยู่ในที่นี้จริงๆภายในฤดูฝนการที่เราพาลูกน้อยอยู่ที่เดียวกับพู้มีศีลจะลำบากมากอันหนึ่งเราก็ไม่กล้าบอกให้ภิกษุนี้ออกจากถ้าได้ความพลั้งพลาดในศีลของภิกษุนี้ มีอยู่บ้างไหมนอะนั่นนี่แล้วก็ได้ตรวจดูอยู่ด้วยที่ปียจักสุก็ไม่เห็นความพลังพลาดในศีลของท่านตั้งแต่บวชมาจึงมีความคิดว่าศีลของภิกษุนี้บริสุทธิ์เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดความเสื่อมเสียกับท่านเทวดานั้นจึงเข้าไปสิงร่างลูกชายคนโตของอุบาสิกา ในตระกูลอุปตากทำให้คอบิดเบี้ยวในตาตลนน้ำไหลฟูมปากกูบาสิกาเห็นบุตรนั้นแล้วจึงร้องลั่นว่านี่อะไรกันเรานั้นเทวดาไม่แสดงตัวให้เห็นแต่ได้บอกกูบาสิกานั้นอย่างนี้ว่าเราสิงลูกคนนี้ไว้เราไม่ต้องการเครื่องเส้นไหวแต่จงขอชะเอมเครือ กับพระเถระประจำตระกูลเอาเชเอมเครือนั้นทำน้ำมันให้ลูกคนนี้นัดคือหยอดเมื่อทำเช่นนั้นเราจึงจะปล่อยเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วอุบาสิกาก็กล่าวขึ้นว่าลูกฉันจะได้รับอันตรายหรือตายไปก็ตามทีเถิดฉันไม่กล้าจะขอเชเอมเครือกับพระผู้เป็นเจ้าหรอกเทวดา ถ้าไม่กล้าขอเชื้เอ็มเกลือท่านจงบอกให้พระเถระหยอดผงหิงคุลงในจมูกของลูกชายกุบาศิกาคำนี้ฉันก็ไม่กล้าพูดเทวดาถ้าเช่นนั้นจงเอาน้ำล้างเท้าของพระเถระนั้นมารดหัวกุบาศิกาข้อนี้ฉันอาจทำได้ก็เมื่อพระเถระมาตามเวลา อุบาสิกานิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วถวายข้าวยากรและของเคี้ยวขณะที่พระเถระนั่งฉันจึงล้างเทา้ารองเอาน้ำไว้แล้วเรียนให้ทราบบ่าท่านผู้เจริญดิฉันจะเอาน้ำนี้รดหัวเด็กเมื่อภิกษุรุนั้นอนุญาตว่ารดเถิดอุบาสิกาก็ได้ทำอย่างนั้นแล้ว เทวดาจึงปล่อยเด็กนั้นทันทีกลับไปยืนรออยู่ที่ประตูถ้ำฝายพระเตระฉันเสร็จแล้วได้ลุกจากอาสนะสาธยาอาการ32ไปพลางเดินกลับไปเพราะตนไม่เคยละเลยกรรมาฐานครั้นถึงประตูถ้ำเทวดากล่าวกับท่านว่าพ่อหมอใหญ่ท่านอย่าเข้ามาในถ้ำนี้ พระเทระยืนจงักอยู่กับที่นะตรงนั้นเองถามว่าคุณเป็นใครเทวดาฉันเป็นเทวดาสถิตอยู่ในถ้ำนี้พระเทระคิดว่าเราทำเวชกรรมที่ไหนบ้างหนอโตรวจดูตั้งแต่บวชมาก็ไม่เห็นความเศร้าหมองหรือความด่างพร้อยในศีลของตนจึงกล่าวว่า ฉันไม่เห็นว่าได้ทำเบญจกรรมที่ไหนทำไมเธอจึงพูดเช่นนั้นเทวดาไม่เห็นหรือพระเทระใช่ไม่เห็นเลยเทวดาถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกให้พระเทระคุณจงบอกมาเถิดเทวดาไม่ต้องพูดอื่นไกลวันนี้เองท่านได้เอาน้ำล้างเทา้ารถหัวลูกของอุปถาก ซึ่งถูกอมนุษย์สิงใช่หรือไม่พระเถระใช่ฉันได้รถอยู่เทวดานั่นกละายไม่เห็นหรือพระเถระที่พูดเธอหมายถึงข้อนิ้วหรือเทวดาถูกต้องฉันหมายถึงข้อนั้นตอนผู้มีศีลบรุธุดไม่ต้องร้อนใจพระเถระจึงได้คิดว่าโอ้หนอ ตนเราตั้งไว้ชอบแล้วเราประพฤติรมสมควรแก่ศาสนาแล้วจริงถึงเทวดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือความด่างพร้อยในจตุปาริสุดที่ศีลของเราเห็นแต่เพียงน้ำล้างเทา้าที่เอารถหัวเด็กันนี้แล้วปีติมีกำลังเพราะปรารบศีลเกิดขึ้นแก่ตัานพระเทระคมปีติ อันแรงกล้านั้นไว้ยังไม่ทันยกเท้าข้างที่หนึ่งขึ้นก็มรรลุพระราชในที่นั้นนั่นเองแล้วกล่าวว่าเธอประทุสร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราอย่าอยู่ในป่านี้เลยเธอนั่นแหละจะงออกไปจากถ้ำเมื่อจะสอนเทวดาจึงได้เปล่งวุทานนี้ว่าการอยู่ของเรา ชอบทำแต่ทีเดียวเธออย่ารังแกเราผู้ไม่มีมนทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์แล้วเธอจงออกจากป่านี้ไปก็พระเถระอยู่ในที่นั้นนั่นแลตลอดสามเดือนออกพรรษาแล้วกลับไปเฝ้าพระศ า, าสดาเมื่อพวกภิกษุตามว่าท่านผู้มีอายุท่านทำกิจแห่งบันปชิต ใหถึงที่สุดแล้วหรือท่านจึงได้บอกเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่การเข้าจำปรรษาในถ้านั้นแกพวกภิกษุเมื่อภิกษุตหลายกล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็ท่านถูกเทวดาพูดเช่นนั้นไม่โกรธหรือท่านตอบว่าไม่โกรธภิกษุตหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตตาโคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุนี้พยากรณ์อรัตผลพูดว่าข้าพเจ้าถึงถูกเทวดาว่ากล่าวเช่นนี้ก็ไม่โกรธตอนลักษณะปรามในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุั้งหลายบุตรของเราย่อมไม่โกรธพราะบุตรของเรา ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครอหอัดหรือบัณชิตบุตรของเราไม่มีความเกี่ยวข้องมีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษและเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยชนสองจำพวกคือเครอหอัดและบัณชิตผู้ไม่มีอะไรเที่ยวไป ผู้ปรารถนาน้อยนั่นแหละว่าเป็นปรามบาลีว่าอาสังสัตถังขหัตเทหิอาณาคารหิจูพยังอโนกะสาริงอปิดฉังตะมะหังปรูมิปรามะนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะสังสัตถังแปลว่าผู้ไม่เกี่ยวกอง หมายความว่าชื่อผู้ว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยการพบเห็นการฟังการสนทนาการบริโภคและเกี่ยวข้องทางกายคำว่าอุพยังแปลว่าคนสองจำพวกได้แก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับชนทั้งสองจำพวกคือกระดิษหนึ่งบรรพชิตหนึ่งคำว่า อะโนกะสาลิงแปลว่าผู้ไม่มีอะไรเที่ยวไปได้แก่ผู้ไม่มีความอะไรเที่ยวไปอธิบายว่าเราเรียกผู้นั้นคือเห็นบ่านนั้นว่าเป็นปรามในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องประติส์เถระผู้อยู่ในเงื่มเขา